มิใช่แต่อุทกดาบทรามาบุตรเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามาบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามาบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นาน เราก็ได้ทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทําให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล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 ท่านจงบริหารคณะนี้ภิกษุทั้งหลายอุทุกปดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจรีของเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบประ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพาน เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหนายทมนั้นจึงลาจากไปตรสรู้สัจธรรมภิกษุทั้งหลาย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 ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วสแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบ <Suzuki> ชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าแล ะ, กะเกษมจากโยคะทั้งญาณทัศนะได้เกิดแกเราว่า วิมุติของเราไม่เคยเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกทรงมีความขนขวายน้อยภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความดำริว่า ทมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตักกะละเอียดบัณดิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมูประชาผู้รื่นรมด้วยอาไลยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลฐานะที่หมูสัตว์ผู้เริ่นรมด้วยอาไยินดีในอาไลเพลิดเพลินในอาไลนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือ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 อันหนึ่งเล่าคาถาอนันนาอัสจ ร, รย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแกเราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประนีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว อยากรู้เห็นไม่ได้สหัมบดีพรมอาราธนาแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยไม่ได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้น สหามบดีพรมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหามบดีพรมอันตรทานจากพรหมโลกมาปรากฏณาเบื้องหน้าเรา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 จากเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสถามบดีพรมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าพรมมนิคมคาถาในการก่อนทมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ ปรากฏในแคว้นมคตพระองค์โปรดเปิดประตูอมะตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมลทินได้ตรัสรู้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมนตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ชั้นใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้ว โปรเสด็จขึ้นสู่ประสาทคือธรรมจากได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นําหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาึกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมประสาททั้งหลายจากเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม เวนยสัตเปรียบด้วยดอกบวัวภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารับคำทูลอาราธนาของพรมและเพราะความมีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจ ด, ดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีแก่กล้ามีอินทรีอ่อนมีอาการดีมีอาการซาม สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้ น, น้าจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้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 มีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวฉันนั้นลำดับนั้นเราจึงเรียกล่าวคาถาตอบสหัมปดีพรมว่าพรมสัตว์เหล่าใดมีโสดปราชาจงปล่อยจัตธามมาเถิด เราไม่ได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณทีที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ครั้งนั้นสหบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประธานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้น ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาะภิกษุทั้งหลายเราดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนเนาะใครจกรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วดำริต่อไปว่าอลาระดาบทกาละมะโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อลาระดาบทกาละมะโคตก่อน เธอจะรู้ธทำนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอลารดาบทการามโคดทํากาละได้เจ็ดวันแล้วอันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอลารดาบทกาลามโคดทํากาละได้เจ็ดวันแล้วจึงดําริว่าอลารดาบทกาลามโคด เป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเราจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกกดาบทรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีทุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดี เราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อนเธอจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทํากาลละเมื่อวานนี้อันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทํากาลละเมื่อวานนี้จึงดําริว่าอุทกดาบทรามบุตร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 ทรงพบอุปการชีวกภิกษุทั้งหลายอาชีวกชื่ออุปกะได้พบเราผู้กาลังเดินทางไกลณนะระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ถามเราว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใส ย, ยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นาศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใคร เมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมท่งองปวงรู้ธรรมท่งองปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมท่งองปวงและธรรมท่องปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลก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 เราจึงกล่าวต่อเป็นคาถาว่าชนเหล่าใดได้ไดถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วอุปการชีวกจึงกล่าวว่าอาวุโสควรจะเป็นอย่างนั้นโครงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไป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 อวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกะกะริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉไห น, นจะบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่า เมื่อภิกษุปัญจวคี ก, ก, กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวคีว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากมากไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงียบโ ส, สดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบตัติตามที่เราสั่งสอน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 ภิกษุปัญจวคีร์ก็ได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคโดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกรกิริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆาไหนาจากบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐ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 เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เราสามารถทําให้ภิกษุปันจวักียินยอมได้แล้วเรากล่าวสอนภิกสุสองรูปพิกสุสมรูปก็เที่ยวบินธบาตเราทั้งหชั้นบินธบาตที่พิกสุสมรูปนำมาเรากล่าวสอนภิกสุสมรูปพิกสุสองรูปก็เที่ยวบินทบาตเราทั้งหชั้นบินธบาต ท, ที่พิกสุสองรูปนามา ต่อมาภิกษุปัญจวคีที่เราสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุล bar, นิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาละถึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเป็น sure. ผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้ามองเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงสแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้ามองอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันเป็นแดนกเกษมจากโ ย, ย, ย, ยคออะยอันยอดเยี่ยมแล้วอันหนึ่งภิกษุปัญจวคีเหล่านั้นได้เคยญาทณทัศนะขึ้นมาว่าวิมุตติของพวกเราไม่คยเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย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 รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โพทัพธะะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดกามคุณมีห้าประการนี้สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งไฝฟฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคกามาคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่า สมณพราหม์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมานใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ ภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ที่ถึงความเสื่อมความพินาศถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปไม่ได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออก ย่อมบริโภคการมาคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหม์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบแต่สมณะหรือพราหม์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่า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 ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้พบกับนายพรานเนื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มานตาบอดหรือทำลายดวงตาของมานยังไม่มีร่องรอย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 เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง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 จูลหัตถิปโทปะมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกาเศธธรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุสสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ ที่เทียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาที่ยงวันชานุโสนิพรานได้เห็นปริพาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครันเห็นแล้วได้กล่าวกับปิโลติกะปริพาชกอย่างนี้ว่านี่แนะ่ท่านวัชายานะผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริพาชกตอบว่าท่านผู้เจริญ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 ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ท่านวชัยยนนะสรนเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรนเสริญอย่างยิ่งข้าพเจ้าจักไม่สรนเสริญพระสมณโคดมอย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นใครๆข้อสรนเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านวชัยยนนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่า